ฟังที่ครบคะ่ะเรามาถึงช่วงเวลาที่จะได้ฟังพระภิกษุอีกรูปหนึ่งแล้วนะคะหลังจากที่ได้ฟังพระมาชาคาวโรนําท่านปฏิบัติธรรมกันไปตอนนี้เราจะไปพบกับพระภิกษุที่อยู่ถึงอุดอรก็คือพระพิบูอ์อภิปุลโนของรายการสันสนสนธนาหานะคะต้องหยุดไปเลยเพราะว่าท่านก็มาสม่ําเสมอเป็ น, ป, นประจํากราบนมัสการพระท่านคะเชิญบานร่วมเข้ามาถึงวันนี้นี่ก็ต้องบอกว่าใกล้ วันวิสาขาบูชาเป็นระยะหลายวันแล้วนะคะที่จะสังเกตเห็นการโหมประชาสัมพันธ์าการเฉลิมฉลองพุทธชยันตีอะค่ะเพราะว่าพอสัปดาห์ก่อนจะถึงวันวิสาขะก็จะเป็นสัปดาห์พระพุทธศาสนาซึ่งจะเป็นสัปดาห์ใหญ่มากนะคะแล้วก็อย่างกับที่มหาจุฬาหมายถึงมหาวิทยาลัยอะคะ่ะก็จะมีกิจกรรมเช่นเคยคือวิสาขาโลกเข้าใจว่าปีนี้นี่มีพระสง กับชาวพุทธเนี่ยนะคะมาเกือบเกือบร้อยประเทศทเห็นบอก99้าเ้าเลยแม่ค่ะโอ้ฮะก็ามาันทาอะไรกันล่ะก็วิสาขะโลกฐานอันนี้หมายถึงว่าที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นแกนกลางเนี่ยนะคะ<อ>ก็เพื่อจะเอาประเด็นธรรมที่เหมาะสมกับจะนํามาใช้กับโลกในห้วงเวลานั้นๆนดิฉันยังไม่ได้ติดตามเลยเะว่าปีนี้เขาเขายกเรื่องอะไรขึ้นมานะะมีการประชุมวิชาการอะไรลักแบบนี้นะ ใช่ค่ะก็ทางนู้นจะเป็นวิชาการแต่ว่าทางที่สนามหลวงหรือว่าที่อื่นๆเนี่ยก็เข้าใจว่าคงจะเป็นเรื่องของพิธีการพิธีกรรมวิชาการประกอบกันไปหลายอย่างค่ะทีนี้มาถึงรายการของเราอันนี้ก็พุทธชยันตีกันเรียกว่านานมากแล้วนะคะ <laughs> ชัยชนะของพระพุทธเจ้าเ อ, อทีนี้ท่านคะถ้าจะกราบเรียนถามจริงๆว่าที่เขานําเอาคํา พุทธเชยกันตีหรือว่าชัยชนะของพระพุทธเจ้ามาใช้ในโอกาสเฉลิมฉลองสําคัญสําคัญของพระพุทธองค์อย่างนี้นะคะชัยชนะที่ว่านี้คือชัยชนะอะไรคะชัยชยะที่ว่านี้ก็คือพระเจ้าเคยบอกว่าพระองค์เนี่ยศัตรูทั้งภายในและภายนอกเนี่ยไม่สามารถข่มขี่ได้ศัตรูทั้งภายในและภายนอกไม่สามารถข่มขี่ได้แต่ศัตรูภายในก็คือราคะโทสะโมหะอันนี้อธิบายไว้ชัดเจนนะคือราคะโทสะโมหะ แล้วกเ็เทวดาอสูรนาคคนทันมารพรมหรือมนุษย์ที่เป็นศัตรูเนี่ยไม่สามารถข่มขี่ได้<ม>อันนี้<ม>ข่มขี่นี่คือหมายความว่ามากแกล้งมาอะไรงนี้ไม่ได้นะประการที่สองก็คือว่าจะไม่สามารถทําให้สิ้นอายุในระหว่างได้คือหมายความว่ามาลอบสังหารเนี่ยไม่ได้อันนี้พูดถึงเรื่องชัยชนะน ะ, ะอะทีนี้อัตากถาท่านก็จะมีบทที่ก็เรียกว่าอะไรล่ะ ที่ที่สวดพระหุงกันนะ่ะนั่นคือคือชัยชนะของพระพุทธเจ้าที่มีชัยชนะเหนือการด่าของนานจิจมามวิกาชัยชน ะ, ะต่อช้างนารันกีรีอันนี้ที่เป็นอันตตะตาะเขานาราคีริงอะไรเนี่ยอ่ะใช่เพราะนั้นก็ฉลองพระพุทธเจ้าความปรากฏมีของพุท ธ, ธะเป็นเวลา2องพันหกรปีมาแล้วอย่างนี้เราก็เลยคําว่าชายันตีค่ะคือพูดจริงๆนะคะดิฉันเกงมานั่งคิดตามว่าคนเราเนี่ยบางทีมีความรู้มีความสามารถ อะไรก็แล้วแต่ทําความดีอะไรก็แล้วแต่แบบแบบมนุษย์มนุษย์เนี่ยอืมื่อนานไปเขาก็ลืมแต่ว่าสําหรับพระพุทธองค์เราถือว่านานมากจริงๆแล้วนะคะเนี่ยอืมคือพระพุทธเจ้าบอกว่าการที่ปรากฏมีของพระองค์เนี่ยนะการมีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกเนี่ยเออเป็นการที่เป็นเป็นเออเป็นประโยชน์และเป็นเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่มาชนตลอดกาลนานตลอดกาลนานนะคือคือไม่ใช่แค่ว่าสองพันหกรอยปี แต่นานไปจนกระทั่งมาร์กยังอยู่เนะี่ยนานมากจริงตลอดกาลนะมีพุทธวจะนะพูดถึงตรงนี้เฉพาะอย่างใดไหมคะออพระเจ้าบอกอย่างนี้พระเจ้าเคยตรัสบอกว่าเหตุนะมีเหตุที่ทําให้พรหมจรรย์นเนี่ยตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานนะเหตุที่จะทําให้ศาสนาเนี่ยตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนาไม่ใช่แค่สมัยอยปีน ะ, ะนะคือธรรมะที่พระเจ้าตรัสรุปแล้วด้วยปัญญายิ่งเนี่ยถ้าผืว่าพวกสาวกทั้งหลายเนี่ย เสพอย่างดีเรียนให้ดีพึงเจริญทําให้มากจะทําให้นะพระธมจารย์นี้ตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานคือมันมีเหตุอยู่3ขั้นตอนนะขั้นตอนแรกก่อนก็คือธรรมะที่พระเจ้าตรัสรู้ด้วยปัญญายิ่งก็คือต้องมีพระเจาตรัสรู้ด้วยปัญญายิ่งก่อนนะธรรมะหมดนี้นะเป็นเหตุนะผลนะถ้าผว่เราเอาธรรมะหมดนี้นะนะเหตุอันที่2มาศึกษาอย่างดีเรียนให้ทั่วถึงเสพให้ทั่วพึงเจริญทําให้มาก นะผลที่จะเกิดขึ้นคือไม่ใช่แค่สองพันรอปีไม่ใช่แค่ห้าพันปีไม่ใช่แค่หมื่นปีตลอดกาลนานเลยคุณยมติวออทำมาหมดนี้คืออะไรนะพระเจ้าบอกว่าก็คือพลที่ปักพิญธรรมสาสิบเจ็ดนั่นเองนะสติปัฏฐานสี่สมมปัฏฐ า, านสี่อิทิบาทสี่อินทรีห้าพละห้าโพชฌเจตมรคแปดรวมกันก็สามสิบ็ดอย่างทีนี้ว่าถ้าใครบอกว่า อ, อาศาสนามีห้าพันปีเนี่ยหรือว่ากี่ปีเนี่ยก็จะพูด <c oughs> ค้านกับพระพุทธเจ้าตรงนี้อืมะอันนี้น่าสนใจมากนะคะ เพราะว่าดิฉันเข้าใจว่าคนเกือบทั้งหมดเลยที่นับถือพระพุทธศาสน า, ษ า, ษาก็จะสนใจตัวเลขห้าพันหรือว่ามีความรู้ที่ตัวเลขห้าพันคือตรงตัวเลขห้าพันเนี่ยมาเพิ่มเติมในสมัยอัตถคถาอ๋อค่ะพระอัตถคถาที่ท่านเพิ่มเติมมาว่าอายุของศ า, าสนาเนี่ยที่พระเจ้าเคยบอกไว้ว่าถ้าสมมตินะพระเจ้าสมมติว่าถ้าสมมติศาสนาายุพันปีนะก็จะลดลงเหลือแค่ห้ารอยปีถ้ามีภิกษุณี พูดไวตรงนี้เท่านั้นเองแต่คถาท่านก็เลยขยายความเพิ่มเติมตรงนี้บอกอ๋อพระพุทธเจ้านี่อช่วยมีอายุศาสนาได้พันปีพระอรหันต์ช่วยไดอีกพันปีนาคามีช่วยไดอีกพันปีสักกทาคามีช่วยไดอีกพันปีโสดาบันช่วยรักษาศาสนาไดอีกพันปีรวมกันเป็นห้าพันปีอย่างนี้อ๋อค่ะก็เลยคนไปยึดตรงนั้นแต่ทีนี้ถ้าจะ ดิฉันจะพยายามทำความเข้าใจของตัวเองเพื่อที่จะให้ท่านบอกว่าดิฉันเข้าใจถูกไหมแทนท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่อนะคะว่าหมายความว่าพระพุทธองค์บอกว่าถ้าโพธิปักิยธรรมของท่านคือธรรมที่ท่านประเสรู้เป็นอย่างดีแล้วอืทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยได้รับการศึกษาเป็นอย่างดีแล้วก็ปฏิบัติตามถูกไหมคะ เ, ออเสพให้ทั่วจเจริญทําให้มากค่ะถ้ า, ถ, าถ้าพูดง่ายๆเนี่ยเสพให้ทั่วจเจริญทําให้มากเนี่ยแปลว่าได้รับการ ปฏิบัติตามในสิ่งที่ศึกษายอย่างทั่วถึงแล้วเป็นอย่างดีถูกต้องถูกต้องนะคะจึงจะทําให้พระพุทธศาสนาเนี่ยจเจริญตลอดกาลนานถูกไหมคะหมายถึงธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยถูกต้อ ง, ก, อ ง, งก็จึงเป็นเงื่อ ม, มีเงื่อนไขถูกไหมคะใช่ดังนั้นนี่จะสั้นจะยาวมันอยู่ที่ว่าพวกเราทํำไหมซึ่งเป็นสาวกไม่ว่าจะเป็นเราหรือว่าจะเป็นอย่างท่านเทวู์คือเป็นพระภิกษุใช่ไนะอือว่าทํา ให้ถึงหรือไ ม, อม่ปฏิบัติตามนี้ไหมเท่านั้นเองอเราจึงมีหน้าที่นะคะที่จะต้องหาคนช่วยกันทำตามให้มากๆหน่อยอจะได้มีของดีเอาไว้ยืนหยัดชั่วโลกชั่วกระาพราสัง แ, แล้วเรื่องการทำตรงนี้คุณยมติวคือบางคนจะไปแหมเข้าใจว่าโอ้ฉันทางานมากจังเลยฉันคงปฏิบัติไม่ได้อันนี้อันนี้ไม่ใช่อย่างนั้น มีหลายหลายคนเนี่ยที่เข้ามาหลิกในปฏิบัติที่วัดป่าหอนงไนโศเสร็จแล้วก็บอกโอ้เนี่ยพอกลับไปแล้วปีหนึ่งสอปีผ่านไปโอไม่ได้นั่งสมาธิเช้าเย็นเลยอย่างเงี้ยนะก็จะมาบ่นให้ฟังอยู่เรื่อยๆแต่ว่าอันนี้ยังยังไม่เข้าใจธรรมะที่ที่ลึกซึ้งจริงๆนะคือหมายความว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่ใช่ว่าคุณจะต้องมามานั่งหลับตาดูหนังตาอย่างเดียวนะคือสมมติว่าเราอยู่ที่ทํางานอย่างเงี้ยเราพูดดีๆให้การมีเมตตากันและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน แค่นี้คุณปฏิบัติธรรมแล้วนะคือมีธรรมะอยู่ในวิถีชีวิตของเราแต่ถามว่าตรงนี้คืออะไรนี่สมมาปาร์นะสมมากรรมตานะอยู่ในมักแปดไหมเอออยู่นะเอามามักแปดแล้วก็ทําให้าศาสนาตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานนะโอ้ดีงั้นเราช่วยกันทํากันอย่างเงี้ยท่านบุญ ค, ค่ะงั้นเดี๋ยวที่ฉันจะพยายามที่จะให้เห็นว่าสัดส่วนในส่วนของพุทธเชยันตีในวันนี้เราก็พูดในสิ่งที่สําคัญมากเหลือเกินว่าธรรมะของพระาศาสดาที่ตรัสทั้ไว้เนี่ยมันจะคงอยู่ชัว่วกาลปาวาสานถ้าหากว่า ผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาของท่านหรือว่าสาวกของท่านช่วยกันอันนี้แปล ว, ว่าถวายเป็นพุทธบูชาในส่วนนั้นส่วนนี้ท่านพูดต่อเลยใช่ไหมคะว่าคนที่ชอบสงสัยนักหนาว่าไม่มีเวลาทําหรือว่าเคยมีโอกาสไปปฏิบัติแล้วแต่ตอนหลังยุง่งไม่มีโอกาสพวกนี้จะมีอยู่เยอะแล้วท่านก็ชีแนะดีมากเลยนะคะที่บอกว่าแค่นั่งหลับตาดูหนังตาหรือว่านํามาใช้ในชีวิตประจําวันทีนี้ที่ท่านบอกว่า ทำแค่เนี้ยก็ถ้าแบบว่าอยู่ในมรดกแปดหลายองค์แล้วใช่ไหมคะใช่ดิฉันสมมุติเลยได้ไหมคะ mm hmm. อืมอ่าคนที่มีคู่เอาคนที่มีคู่มีครอบมีครัวอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่มีความสัมพันธ์กับคนอื่นอย่างสนิทสนมมันก็มักจะมีอารมณ์ต่างๆ ต, ต่อกันซึ่งกันและกันที่ทําให้ต้องเกิดความโมโหหงุดหงิดไม่สบายใจเราพูดแต่ต้านร้ายนะคะอ๋อ แล้วก็จะต้องข่มใจอย่างเนี้นะคะข่มแค่ไหนถือว่าปฏิบัติตามธรรมแล้วแล้วก็ข่มเช่นนั้นปฏิบัติมาร์กไปกี่องค์ในบรรดาทั้งแปดองค์ค่ะ ค, คือเรื่องคนใกล้ตัวนี่มันก็มีปัญหาแน่นอนเอ่อเพราะฉะนั้นที่คุณยงติว่าข่มใจข่มใจเนี่ยข่มแค่ไหนเรียว่าข่มแล้วอันนี้ประการที่หนึ่งก็คือข่มไม่ให้ศีลเราปิดศีล น, นะคือไม่ด่าการเอ่อหมายถึงว่าพูดคําหยาบพูดโกหกพวกนี้เราไม่ให้ทำนะเราต้องมีจิตอย่างนี้ นะเราก็าพูดจอดเสียดพูดเพ้อเจ้อพวกนี้ก็ข่มด้วย <Okay. S 1> นะแล้วก็ข่มเนี่ยเพื่อให้เราอยู่ในศีลก่อนนะไม่ฆ่าเข า, เาไม่พูดโกหกนะอันนี้ประการที่หนึ่งแล้วถามว่าเวลาที่เราข่มใจเนี่ยเราได้อะไร <Okay. S 1> นะตรงนี้เรามีกําลังจิตมากคือเราข่มไม่ให้อกุศลที่จะเกิดเนี่ยไม่ให้เกิดขึ้นอันนี้คุณมีสมาวยมายามะละค่ <Okay. S 1> นะแล้วถ้าสมมุติคุณสามารถข่มใจไม่ให้กโกรธ ด, ด้วยอันนี้คุณมีสัมมาสังกัปปะเพิ่มด้วย okay. แล้วสติที่คุณมาจดจ่อว่าโอ้โฉันนี่จะต้องมาคอยข่มใจ น, นี่สมาถสติแลนะ <อ S 1> แล้วคนที่มีจะทําอย่างนี้ได้คุณต้องมีกำลังจิตกําลังจิตตรงเนี้คือสัมมาสมาธิด้วย<ช>แล้วทิฏฐิที่คุณมาว่าโอ้ยฉันจะต้องมาคอยข่มใจไม่ให้ด่ากันไม่ให้ว่ากันนี่สัมมาทิฏฐิเลยอ่าแล้วคุณอยู่ในศีลไม้อยู่เอ่าคุณมีศีล ค, คุณมีสมารกรรมันตะด้วยคุณมีสมาอาชีวะด้วยนี่ก็มาร์กแปครบเลยโอเท่ากับว่าจริงๆแล้วทําดีๆนี่ครบเลยครบเลย น่าทำนะคะท่านฟังว่าไหมคะมคือเราคิดไปไม่ถึงท่านพทบูลกำลังพยายามทําให้เราเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมไม่ได้เพียงแต่อย่างที่เขาพูดว่าต้องไปหลีกเลนเท่านั้นใช่ไหครับใช่ท่านคถ้าสมมติเกิดก็ยังไม่เข้าใจท่องแท้แต่ว่าวางแผนชีวิตดีมากเลยปีหนึ่งต้องไปหลีกเลนให้ได้ เ, ออเออพอกลับมา ก็จะค ล, คลายลงไปอย่างเนี้ยแล้วก็ครบปีนก็ไปทําสักที <S <S ออันนี้เสียหายยังไงคือการหลีกเลนเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทําอยู่อย่างไรก็ตามนะคือหมายความว่ามันจะเป็นการที่ให้เรามาหาสุขความวิหารธรรมในใจแล้วก็มีการศึกษาธรรมะเพิ่มเติมที่เป็นรูปแบบก็ดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีคือดีอยู่ <c oughs> นะแล้วก็ดีแล้วก็ควรทําอยู่บ่อยๆด้วยถ้ามีเวลาก็ทํา <c oughs> ในขณะเดียวกันเรากลับไปบ้านแล้วอย่าไปคิดว่าเออฉันไม่ได้ปฏิบัติทําเลยฉันมันแย่ฉันมันบุญน้อยวาสนาน้อยฉันมันหนา นะประเด็นที่จะบอกก็คือว่าเราอยู่บ้านเราก็ทําได้นะเ ร, เ, รเราไม่อยู่เราก็ทําได้น ะ, เ, ออะเราติดต่อกับเพื่อนูงเราก็ทําได้อย่างเงี้ยนะอือาจจะทําให้คนบางคนย่ามใจไหมคะบอกว่าโอ๊ยงั้นสบายเลยฉันโคมได้อยู่แล้วอืมเดี๋ยวจะดูซิว่าจะทําสักสี่ห้าวันจะไปนิพพานเลยไห ม, ม <laughs> แต่จริงๆริงแล้วมันทําทำง่ายไหมคะท่านคะ มันก็จะต้องสร้างเหตุให้ถูกคือว่า4ีหวันคือไม่ต้องพูดถึงสี่หวันหรอกบระรูปาบอกว่าเอาแค่บอกตอนเช้าตอนเย็นได้ก็มีคะเนะพราะฉะนั้นอย่างเดีย๋ยว่าเราถูกทําถูกไหมวันนั้นเถอะเราทําถูกต้องตามมรครบถ้วนไหมค่นะแล้วก็เวลาจะมันจะบรรลุธรรมเนี่ยมันก็แค่ขณะจิตเดียวเนะพราะฉะนั้นถ้าเราสร้างเหตุถูกเนี่ยเราก็ทำไปเรื่อยๆนะจะหวังหรือจะไม่หวังเราก็จะต้องได้ค่ะแต่ธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยดิฉันก็คิดว่าถ้าท่านทั้งหลายลองทํำดูก็จะพบนะคะ ว่าโอกาสที่จะมีสติในการดําเนินกิจการต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันมันก็ไม่ง่ายนกหรอกอืมคือมือนกัว่ามันอาจจะมีบางตอนขาดตกบกพร่องหรือส่วนใหญ่ขาดตกบกพร่องไปเลยอยั่นี้มันก็คือยังมีออกนอกนอกมักบ้างมีดีทัวร์บ้างใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งก็ทําให้มีการเดินช้าไปแน่แล่ะค่ะแต่ว่ามันไม่เหลือวิสัยถ้าฟังดูแล้วดูเหมือนง่ายนะครับคะ่ะ ก็โดยหลักการแล้วก็สามารถทําได้อยู่นะทีนี้ไอ้ที่บันทําไม่ได้เนี่ยเพราะมันถูก อ, อตันหาถูกกามคุณพวกนี้ดึงรังไปค่ะก่อนเวลาจะหมดเนี่ยนะคะอยากจะให้ท่านช่วยกล่าวแบบสรุปว่าเอาเช่นไม่ต้องไปปฏิบัติที่วัดปฏิบัติที่บ้านสักตัวอย่างเดียวที่จํากัดให้ทํากันค่ะอืมก็ที่อาจามาจะต้องการเน้นก็คือเรื่องของสมาวจานะเราอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยเราอยู่คนใกล้ตัวกันอย่าด่ากันอย่าว่ากัน เขาทําให้เราผิดใจบ้างนิดเด่นหน่อยเราก็อดทนเอาใช้มีความอดทนซึ่งกันและการมีเมตตากันนี่ก็ถือว่าปฏิบัติได้หลายตัวเลยทีเดียวค่ะสมาวาจาของท่านมีท่านรวมครบเลยไหมคะว่าพูดโกหกคำหยาบส่อเสียดเพื่เจรใช่ใช่ใช่นะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่จริงๆริงดิฉันเนี่ยคิดเหมือนท่านนะคะดิฉันว่าเรื่องปากของมนุษย์เนี่ยควรให้ความสําคัญมากเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือของมนุษย์ ทุกคนที่ไม่พิกลพิการแล้วนะคะในการที่จะสื่อสารซึ่งกันและกันทั้งวงเล็กวงใหญ่ทีนี้ถ้าเราไม่ควบคุมในสิ่งที่มันใช้แบบกว้างขวางอย่างเนี้ยก็แหมเสียโอกาสค่ะคงจะสนทนาในวันนี้ได้แต่เพียงเท่านี้ก่อนมั้งคะแต่ว่าเพียงเท่านี้ก็ไม่ได้นะคะมันมากเหลือเกินนะคะที่สนทนาอยู่ในขณะนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็เหมือนเกืบ เป็นการเปิดธรรมที่ถูกปิดแล้วทําให้เราเห็นว่าธรรมะของพระพุทธองค์นั้นเป็นเรื่องที่ง่ายและต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ทันสมัยเป็นเรื่องที่ใช้ได้ทั่วทุกตัวคนนะคะวันนี้ก็กราบนมรดการท่านพระบุ์เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะคุณนี้คงจะต้องขอทีเด็ดทีเด็ดแบบนี้นอีกนะคะกขอบพคุณมากคะ่ะท่านวันที่ครบรอบคะและนี่ก็คือสาระที่รายการสรนสรัญญาสนทนาได้พยายามที่จะให้ท่านได้รู้ว่า พระพุทธองค์ของเราเนี่ยสอนสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือให้เราพ้นจากความทุกข์บนโลกใบนี้ไปได้อย่างสิ้นเชิงแต่ในขณะเดียวกันก่อนที่ไปถึงตรงนั้นเนี่ยนะคะเราก็ต้องลงทุนบ้างคือปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านสอนแล้วก็ไม่ใช่เรื่องพ้นวิสัยอย่างกับที่ท่านพิบูลยยกตัวอย่างในวันนี้ดิฉันคิดว่าทุกคนบอกเห็นแสงแล้วเห็นแสงเห็นมากด้วยนะคะก็ขอให้พยายามกันต่อไปแล้วก็ได้พุทธวจนะของพระพุทธองค์เนี่ยนะคะทำให้พวกเราพบกับชีวิตที่สวัสดีกัน ทุกๆคนค่ะส่วนจะงอก ง, งามมากกว่านั้นอันนี้ขึ้นอยู่กับท่านแล้วนะคะรายการนี้เรามีพุทธวจนะให้ศึกษากันอยู่เป็นประจำนะคะท่านก็อขอหนังสือมาแล้วกันค่ะที่0 2น6์ส0งสหนังสือชุดพุทธวจนะนะคะถ้าไม่สะดวกโทรศัพท์มาแต่ว่าว่างๆใหญ่จะไปที่วัดนาปะพง์ลาลู ก, กาคลองสิทธิ์ทนี้ก็มีมอบให้กับท่านทั้งหลายโดยพระอาจารย์คือปิษฏิพโล้นะคะวันนี้เราลากันไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะพุทธวสวัสดีค่ะ